จเจริญพรท่านสาธุชนผู้มีจิตศรัทธามีใจเมตตากรุณาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่21มีนาคมพุทธศักราช2553เป็นวันที่ญาติโยมมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆ ยังได้ใช้เวลาว่าง น, นี้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ด้วยการมาทำบุญถวายอาหารขาวหวานต่อพระภิกษุสัมมะเนมที่บวชอยู่ที่วัดยาณสังวรารามนี้โดยเฉพาะช่วงนี้มีสัมมะเนมบวชอยู่ประมาณ70รูป และพระที่มาบวชอีกประมาณ15รูปรวมทั้งพระที่พระไก่ในศาลานี้ก็มีพระในอยู่ประมาณร้อยรูปด้วยกันเนื่องจากอยู่ในเชื่องปิดเทิมภาคฤดูร้อนทางโรงเรียนของสมเด็จพระสังฆราช ท, ที่ได้ทรงสร้างโดยสมเด็จพระสังฆราช เพื่อรับเด็กยากจนแต่มีความประพื้นดีที่อยู่ตามจังหวัดชายแดนมาเรียนที่โรงเรียนสามปีคือตั้งแต่หมหนึ่งถึงมอสมอยู่กินนอน <c oughs> ทุกอย่างนี้ไม่ต้องเสียเงินเสียทองตามมูลทิธิที่สมเด็จพระสังฆราชทรงตั้งขึ้น ได้รับเงินบริจาคจากศรัทธาญาติโยมแล้วก็เอาเงินที่ได้จาก <c oughs> ดอกเบีย้ยนี้มาเป็นค่าใช้ใจ่ายให้แก่เด็กนักเรียนพอโรงเรียนจะปิดเทอมก็จะให้เด็กนักเรียนม .1 มาบวชเป็นสา ม, มเณร สิบห้าวันก่อนที่จะให้กลับบ้านเพราะทางเรียนเห็นความสำคัญของเรื่องศิลธรรมเรื่องของความมีประพฤติที่ดีงามเป็นหลักโรงเรียนนี้จะไม่หยุดวันเสาร์วันอาทิตย์แต่จะหยุดวันพระวันโคน วันพระก็จะจัดให้นักเรียนมาทำกิจกรรมที่ศาลาแห่งนี้มาร่วมทาบุญมารักษาศีลมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อเป็นการปลูกฝังจริยธรรมคุณธรรมที่ทำให้คนเป็นคนที่แท้จริงเพราะคนเราถ้าไม่ได้รับการ อบรมสั่งสอนเกี่ยวกับคุณธรรมต่างๆก็จะไม่รู้และจะไม่เห็นความสำคัญแล้วก็จะทำให้จิตใจเสื่อมลงไปสิ่งที่ทำให้จิตใจสูงขึ้นเจริญขึ้นอยู่ที่คุณธรรมคือความรู้ผิดถูกดีชั่วรู้คุณรู้ประโยชน์รู้โทษ เรียนรู้จากคุณของผู้มีพระคุณที่เรียกว่าความกตัญญูกตเวทีความกตัญญูกตเวทีนี้ถ้าไม่สั่งไม่สอนกันจะไม่ค่อยจะมีเกิดขึ้นในใจเพราะใจนั้นจะมีแต่ความหลงความเห็นแก่ตัว ทำให้ไม่ได้คิดถึงพระคุณของี่ของผู้มีพระคุณทั้งหลายเช่นเช่นบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้ให้ความอุปถัมภ์ดูแลผู้ช่วยเหลือให้ได้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าถ้าไม่มีบิดามารดา ที่มีจิตที่เมตตากรุณาลูกทั้งหลายก็จะไม่มีโอกาสที่จะเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ได้ถ้ามีพ่อแม่ใจร้ายโหดร้ายลูกออกมาก็อาจจะถูกฆ่าตายไปก็ได้เพราะไม่มีความรับผิดชอบไม่อยากจะรับภาระ ในการเลี้ยงดูลูกแต่ส่วนใหญ่แล้วพ่อแม่จะเป็นคนที่มีความเมตตากรุณาต่อลูกของตนเวลาลูกออกมาถึงแม้จะยากจะลำบากอย่างไรก็พยายามที่จะเลี้ยงดูพยายามที่จะส่งเสียให้ได้ มีความเจริญก้าวหน้าให้เจริญเติบโตมีชีวิตที่ดีที่สุขที่สบายดังนั้นการสอนให้ลูกๆให้รู้จักบุญคุณของพ่อแม่จึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งแต่เนื่องจากพ่อแม่นี้ไม่สามารถที่จะสอนลูกเกี่ยวกับเรื่องบุญคุณนี่ได้ ก็เลยต้องอาศัยผู้อื่นให้ช่วยชีย้บอกให้ช่วยสอนให้เห็นถึงคุณอันใหญ่หลวงของพ่อของแม่ก็ต้องอาศัยพระภิกษุสา ม, มเณรนี้เป็นหลักที่จะคอยสั่งสอนเรื่องความกตัญญูกะตะเวทีเพราะในสมัยนี้โลกที่จเจริญ มักจะมองข้ามความสําคัญของความกรตัญยูกะตะเวทีไปจะไม่สอนให้เด็กรู้จักคุณของผู้มีพระคุณทั้งหลายเด็กจึงกลายเป็นคนที่ไม่มีความกตัญญูกะตะเวทีในสังคมหรือในประเทศที่จเจริญทางด้านวัตถุเรื่องความกตัญญูกะตะเวทีนี้จะ มีน้อยมากถึงกับมีลูกนี้สามารถฟ้องร้องเอาโทษพ่อแม่ได้ถ้าพ่อแม่อาจจะทำอะไรผิดพลาดหรือทำอะไรไม่ถูกแต่ลูกนี้จะไปฟ้องตำรวจจับพ่อแม่ขึ้นศาลหรือไม่เช่นนั้นก็ฆ่าพ่อฆ่าแม่เพราะไม่ได้รับการ อบรมสั่งสอนในเรื่องขุนของพ่อของแม่นั่นเองส่วนพ่อแม่เมื่อแก่เท่าโลไปก็จะไม่มีลูกหลานมาคอยเลี้ยงดูเพราะทางรัฐบาลจะมีสวัสดิการให้ส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ตามบ้านคนชราแล้วก็อยู่อย่างเศร้าส้อยงอยเหงาว้าเหวอยู่ไปแบบไม่มีความสุข ร่างกายนั้นมีปัจจัยสี่ไว้ดูแลมีอาหารมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคมีเครื่องนุ่งห่มแต่จิตใจไม่มีความสุขเพราะไม่มีคนมาดูแลหรือมาแสดงความเมตตากรุณาให้นันเองธรรมชาติของคนเรานั้นต้องอยู่ร่วมกันถึงจะมีความสุข ดังนั้นสังคมที่เจริญทางด้านวัตถุนี้จะเสื่อมลงไปทางด้านจริยธรรมทางคุณธรรมจิตใจจะเสื่อมลงไปจากเป็นเทพจากเป็นมนุษย์ลงไปเป็นเดรัจฉานเพราะเดรัจฉานนี้ก็เป็นสัตว์ที่ไม่รู้จักบุญคุณของพ่อของแม่ไม่รู้ว่าเป็นพ่อเป็นแม่เพราะเขาไม่มีสติปัญญา ที่จะวิเคราะห์หรือพิจารณาได้ว่าเป็นพ่อเป็นแม่ของตนแล้วก็ไม่มีสัตว์อื่นที่จะสามารถบอกหรือสอนได้ว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นบุคคลที่มีบุญมีคุณแต่ตนเดรัจฉานจึงไม่รู้จักพ่อจากแม่ถ้าคนเราเป็นอย่าง ถ้าเป็นถ้าคนเราไม่มีความกตัญญูกะตะเวทีจิตใจก็จะเป็นเหมือนเดรัจฉานเป็นจิตใจของสัตว์ไม่ใช่เป็นจิตใจของมนุษย์เพราะขาดคุณธรรมที่สำคัญของความเป็นมนุษย์ของการเป็นคนดีนั่นก็คือการมีความกตัญญูกะตะเวทีต่อผู้มีพระคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อ ผู้บังเกิดกล่าวต่อพ่อต่อแม่เพราะถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่จะมีตัวเราเองได้อย่างไรชีวิตของเรานี้เป็นหนี้ของพ่อของแม่พ่อแม่เป็นผู้ให้ชีวิตแก่เราพ่อแม่เป็นผู้เลี้ยงดูเราให้ได้เจริญเติบโตจนสามารถพึ่งตนเองได้ถ้าพ่อแม่ไม่เลี้ยงดูเรา จับเราไปยัดไว้ในถังขยะจับไว้ใส่ถุงขยะใส่ถุงแล้วจับไปยัดไว้ในถังขยะเราก็จะไม่มีวันนี้ดังนั้นเราจึงควรที่จะล้ำลึกถึงบุญคุณของพ่อแม่อยู่เสมอทุกวันทุกวันเพราะถ้าเราไม่ล้ำลึกแล้วเราจะลืมได้เพราะในชีวิตของเรานั้นจะมีเรื่อง ราต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องรรมาหากินเรื่องธุรกิจเรื่องภารกิจกับคนนั้นกับคนนี้ถ้าเราไม่หาเวลาลำลึกถึงบุญคุณของพ่อแม่บ้างเราอาจจะเผลอลืมไปก็ได้ดังนั้นตามธรรมเนียมนั้นเขาจึงสอนให้กราบพ่อกราบแม่ทุกเช้าทุกเย็นเช่น เวลาที่เราตื่นขึ้นมาแล้วก่อนที่จะไปทำภาร ก, กิจอย่างอื่นเราควรจะกราบพระไหว้พระกราบพระที่เป็นพระและกราบพระที่เป็นพ่อเป็นแม่ของเราการกราบนี้จะทำให้เราลํำลึกถึงพระคุณของพ่อของแม่และเราจะได้ไม่ลืมเราจะคิดถึงท่านอยู่เรื่อยๆแล้วเมื่อเรามีเวลาว่าง มีโอกาสหรือเรามีอะไรดีๆเราก็จะคิดถึงท่านจะนำเอาไปฝากท่านจะไปเยี่ยมท่านอยู่เรื่อยๆ อ, อยู่บ่อยๆ อ, อย่างนี้ก็จะทำให้เรามีความสุขเพราะเป็นการทำบุญพ่อแม่นี้เป็นเหมือนกับพระอาหารหันต์เป็ น, ป น, ปนพระพรของลูกๆ ทำบุญกับพ่อแม่นี้ได้บุญเท่ากับทำบุญกับพระอาหารหันต์พระพุทธเจ้าส่งสอนว่าก่อนที่จะไปทำบุญกับพระอาหารหันต์นอกบ้านให้ทำบุญกับพระอาหารหันต์ในบ้านก่อนถ้าพ่อแม่ไม่ได้อยู่ร่วมกันในบ้านเดียวกันก็ควรจะหมันไปเยี่ยมไปหาหรืออย่างน้อยก็ควรจะโทรศัพท์ไปคุยไปถามไถ่ สารทุกข์สุขดิกอยู่เรื่อยๆอย่าทอดทิ้งพ่อแม่ผู้มีพระคุณอย่างมากต่อลูกๆทั้งหลายถ้าเรายังอยู่กับพ่อแม่อยู่ท่านก็สอนให้เรามีความเชื่อฟังในคำว่ากล่าวตักเตือนของพ่อของแม่ถึงแม่จะไม่ถูกใจไม่ชอบใจ แต่ขอให้คิดว่าพ่อแม่เป็นเหมือนพระเวลาพระเทศก็เป็นการสั่งสอนสิ่งที่ดีที่งามทั้งหลายเวลาพ่อแม่เตือนเวลาที่ท่านเห็นเรากำลังทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามท่านเตือนเราเราควรที่จะขอบคุณ อย่าไปโกรธท่านแทนที่จะไปโกรธท่านเราควรจะขอบคุณท่านเพราะบางทีเราก็ถูกความหลงในใจของเหานี้ห <c oughs> ลอกให้เราเห็นผิดเป็นชอบได้เช่นหลอกให้เราเห็นการดื่มสุกาว่าเป็นสิ่งที่ดีหลอกให้เราเห็นว่าการเที่ยวเตยเป็นสิ่งที่ดีหลอกให้เราเห็นว่าการเล่นการพนัน เป็นสิ่งที่ดีแต่ความจริงแล้วมันไม่ดีเพราะมันจะทําให้ชีวิตของเราตกต่ํามันจะไม่ได้ทําให้เราเจริญก้าวหน้าคนที่จะเจริญก้าวหน้าได้จะต้องอยู่ห่างไกลจากอบายมุขทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นการเดินสุลายาเมลเล่นการพนันเที่ยวกลางคืน พบคนชั่วเป็นมิตรและความเกียดคร้านนี่คือความเสื่อมห้าชนิดด้วยกันที่เราควรที่จะหลีกเลี่ยงถ้ามีอยู่ในตัวเราก็ขอให้เรารีบ ก, กจาจัดเสียถ้าเราชอบดื่มสุราก็ขอให้เราพยายามเลิกให้ได้ถ้าชอบเล่นการพนันก็พยายามเลิกให้ได้ ถ้าชอบเที่ยวกลางคืนก็พยายามเลิกถ้าชอบคบคนชั่วเป็นมิตรคนไม่ดีคือคนที่ชอบเล่นการพนันชอบดื่มสุรายาเมาชอบเที่ยวกลางคืนชอบความเกลียดคร้านก็ขอให้เราอย่าไปคบกับคนแบบนี้เพราะคบกับคนแบบนี้แล้วเขาจะพาเราไปกระทาในสิ่งที่ไม่ดี จะเป็นอัปมงคลจะไม่เป็นมงคลแก่ชีวิตนังในมงค ล, ลสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนว่า <c oughs> เสวนาจะบาลานังบันดิตานันจะเสวนาอย่าคบคนพาลให้คบบัณฑิตคนพาลก็คือคนไม่ดีนั่นเองคนโง่คนที่ไม่รู้จักโทษของอบายยมุขนี่เราเรียกว่าคนโง่คนพาล คนที่เห็นว่าอบายามุกนี้เป็นสิ่งที่ดีอย่างนี้เรียกว่าเป็นคนโง่ถ้าเราไปเกี่ยวข้องกับเขาเขาก็จะพาเราไปเกี่ยวข้องกับอบายามุกแล้วเราก็จะต้องตกต่ำลงไปท่านสอนให้เราคบบัณฑิตบัณฑิตก็คือคนฉลาดคนรู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่ว เช่นพระพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เวลาที่เรามาวัดจะมาทำบุญเฉพาะตอนเช้าก็ดีหรือมาอยู่วัดปฏิบัติธรรมหรือมาบวชเป็นพระเป็นสัมมาณีก็ดีเป็นการเข้าหาบัณฑิต <c oughs> เป็นการเข้าหาคนฉลาดเพราะเมื่อเรามาอยู่วัดเราก็จะได้ยินได้ฟังในเรื่องที่ดี เราจะได้รู้ว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษสิ่งที่เป็นโทษเราก็จะได้หลีกเลี่ยงได้ส่วนที่เป็นคุณเป็นประโยชน์เราก็จะทำเมื่อเราทำแต่สิ่งที่มีคุณมีประโยชน์และไม่ทำในสิ่งที่มีในสิ่งที่เป็นโทษโทษก็จะไม่เกิดกับเราจะมีแต่คุณจะมีแต่ประโยชน์เกิดขึ้นกับเราชีวิตจิตใจของเรา จะเจริญก้าวหน้าจะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆทุกอย่างนี้อยู่ที่การกระทำของเราแต่การกระทำของเรานี้ก็อยู่ที่ผู้ที่รู้ที่จะมาคอยสั่งสอนเราเช่นพ่อแม่เขาเกิดก่อนเราเขาผ่านเรื่องต่างๆมามากกว่าเราเขาเคยผิดพลาดเขาเคยทำในสิ่งที่ทำให้เขา เสียหายเขารู้พอเขาเห็นว่าเรากำลังจะไปทำเช่นเดียวกันเขาก็ต้องห้ามเราเขาจะต้องเตือนเราเป็นธรรมดาเขาเตือนด้วยความเมตตากรุณาพ่อพ่อแม่นี้อยากจะให้ลูกมีแต่ความสุขมีแต่ความสบายไม่อยากให้ลูกต้องไปตกทุกข์ะกรรมลำบากไม่อยากให้ไปติดคุมติดการา พอเห็นว่ากำลังทำอะไรที่จะเสียหายตามมาก็ต้องเตือนต้องบอกดังนั้นเวลาพ่อแม่เตือนอะไรบอกอะไรถึงแม้เราจะไม่ชอบเราก็ต้องอดทนต้องยอมรับต้องฟังว่าเป็นความเมตตาของพ่อแม่ถ้าสิ่งที่พ่อแม่บอกเราหรือสอนเรานี้ เป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ไม่ถูกตามหลักทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ไม่ต้องปฏิบัติตามก็ได้เช่นพ่อแม่บางคนอาจจะสอนให้ลูกลักขโมยหรือสอนให้ดื่มสุรายามเมาถ้าสอนอย่างนี้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทำตามเพราะไม่ได้เป็นการเนรคุณ หรือไม่ได้เป็นการไม่มีความกตัญญูแต่อย่างใดแต่เราไม่ต้องไปเถียงพ่อแม่ถึงแม้สิ่งที่พ่อแม่พูดนั้นอาจจะไม่ถูกก็ตามโดยมรารยาทหรือโดยฐานะของลูกนั้นไม่ควรที่จะไปเถียงพ่อเถียงแม่หรือไปด่าพ่อด่าแม่พ่อแม่จะชั่วยอย่างไรก็ตาม ก็ไม่ใช่หน้าที่ของลูกที่จะไปตำหนิไปว่าพ่อแม่หรือแม่กระทั่งไปว่ากล่าวตักเตือนพ่ะไม่ใช่ฐานะของลูกที่จะพึ่งกระทำพ่อแม่เขาเกิดก่อนเราเขาผ่านมาเขาผ่านอะไรมาก่อนเราเขารู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกเราไม่ต้องไปสอนพ่อสอนแม่นอกจากว่าพ่อแม่ อยากจะให้เราสอนถามเราหรืออนุญาตให้เราสอนได้เช่นพ่อของพระพุทธเจ้านี้ก็ให้พระพุทธเจ้าสอนด้วยการนิมนต์ให้พระพุทธเจ้าไปโปรดในวันถ้าอย่างนี้ถึงจะสอนได้แต่ถ้า <c oughs> พ่อแม่ไม่ได้ขอร้องให้ลูกสอนแล้วก็ก็ไม่ควรที่จะไปสอนเพราะจะไม่เป็น การกระทําที่เหมาะสมนั่นเองส่วนเวลาพ่อแม่สอนลูกนั้นลูกก็ต้องควรตั้งใจฟังแล้วก็เอามาวิเคราะห์เอามาพิจารณาดูว่าถูกหรือไม่ดีหรือไม่ถ้าไม่ถูกไม่ดีการไม่ทำตามก็ไม่เป็นการเสียหายแต่อย่างใดไม่ได้เป็นการในระคุนแต่อย่างใดเพราะ การจะทำอะไรตามคำสอนของพ่อแม่นั้นก็ต้องทำแต่ในสิ่งที่ดีที่มีคุณมีประโยชน์เท่านั้นนี่คือการมีความกตัญญูต่อพ่อต่อแม่ผู้มีร็คุณถ้าพ่อแม่มีอายุมากแก่ชราไม่มีต้องให้ต้องอาศัยให้เราดูแลเราก็ต้องทำหน้าที่ เหมือนกับตอนที่พ่อแม่เลี้ยงดูเราในสมัยที่เราเป็นเด็กที่เราไม่สามารถพึ่งตนเองได้พอพ่อแม่แก่แล้วก็จะไม่สามารถพึ่งตนเองได้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของเราเราต้องดี อ, อกดีใจที่ได้มีโอกาสได้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เพราะเป็นบุญเป็นกุศลมากเหมือนกับการเลี้ยงพระพุทธเจ้าหรือพระอาหารหันต์เลยทีเดียว จึงอย่ารังเกียจว่าเราจะต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อย่าให้เป็นเหมือนกับคำพูดที่ว่าพ่อแม่เลี้ยงลูกได้ทั้งสิบคนแต่ลูกสิบคนเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่สองคนไม่ได้นี่แสดงว่าลูกๆไม่มีความกระตำอยู่ไม่มีใครอบรมสั่งสอนให้เห็นบุญคุณของพ่อของแม่ เราอย่าปัดภาระของการเลี้ยงดูพ่อแม่ด้วยการส่งพ่อแม่ไปอยู่ตามสถานที่อยู่ของคนชราทั้งหลายนอกจากเป็นเรื่องสุดวิสัยที่เราไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูท่านได้จริงๆเท่านั้นก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามบุญตามกรรมไปแล้วถ้าเกิดพ่อแม่ตายไปแล้ว เราก็ยังทดแทนบุญคุณได้ด้วยการทำบุญอุทิศ ส, ส่วนบุญส่วนกุศลเช่นวันนี้เรามาทำบุญแล้วถ้าเรามีพ่อแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วเราวเราอยากจะทดแทนบุญคุณเราก็สามารถอุทิศบุญที่เราทำในวันนี้ไปให้กับท่านได้ส่วนท่านจะรอรับอยู่หรือไม่นั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งท่านไม่รอรับ บุญที่เราอุทิศไปก็ไม่สูญหายไปไหนก็จะกลับมาแต่เราจะได้บุญที่เกิดจากความมีความกตัญญูกตเวทีดังนั้นไม่ต้องกังวลว่าเวลาอุทิศบุญไปแล้วพ่อแม่จะรับหรือไม่รับเพราะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าท่านอยู่ในสถานภาพอันใดผู้ที่ตายไปแล้วนั้นมีสถานภาพหลายแบบด้วยกัน ถ้าทำบุญมากก็จะไปเกิดเป็นเทพเป็นพรหมเป็นเทวดาหรือไปเกิดเป็นมนุษย์เลยบุคคลเหล่านี้เขาก็ไม่ต้องอาศัยบุญอุเทนเขามีบุญมากกว่าบุญที่เราส่งไปให้มีพวกเดียวเท่านั้นที่จะรับบุญอุททนได้ก็พวกสามประเวศีหรือพวกเปรตพวกนี้ในขณะสมัยที่มีชีวิตอยู่จะไม่ค่อยชอบทำบุญ เพราะมีความตันีิและมีความโลภมากเสียดายเงินเสียดายทองเวลามีชีวิตอยู่ก็ไม่ชอบทาบุญแต่ชอบทำบาปเพราะความโลภเวลาอยากจะได้อะไรมากๆทั้งๆที่มีเหลือกินเหลือใช้แต่ยังอยากได้ก็จะทำบาปด้วยวิธีการต่างๆพวกนี้เวลาตายไปก็จะเป็นเปรต จะมีความหิวความอยากความต้องการต้องอาศัยบุญของผู้ที่ทำอุทิศไปให้ <c oughs> ส่วนพวกที่ไปเกิดเป็นเดรัจฉานหรือไปตอกนรกก็ไม่สามารถรับบุญอุทิศนี้ได้นี่คือการทดแทนบุญคุณต่อผู้มีพระคุณของเราคือพ่อแม่ ขอให้เราควรระลึกถึงท่านทุกวันทุกวันทุกเช้าทุกเย็นก่อนนอนตื่นขึ้นมาก็กะพระแล้วก็กะพ่อกะแม่เวลาก่อนจะนอนก็กะพระแล้วก็กะพ่อกะแม่ไม่ใช่กระเฉยๆกะแล้วต้องระลึกถึงพระคุณด้วยเช่นเวลาเรากะพระพุทธเจ้าเราก็ระลึกถึงพระพุทธคุณกะพระธรรมเราก็รลึกถึงพระธรรมคุณ กราบพระสง์ก็ระลึกถึงพระสังฆคุณกราบพ่อก็ระลึกถึงบุญคุณของพ่อกราบแม่ก็ระลึกถึงบุญคุณของแม่ถ้าเราระลึกอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะเห็นความสาคัญของท่านและเราอยากเวลาเรามีโอกาสเรามีความสามารถที่จะทดแทนบุญคุณได้เราก็อยากจะทํา แล้วเมื่อเราได้ทำแล้วเราก็จะมีความสุขใจเราจะมีความสบายใจความอิ่มเอิบใจมีความภูมิใจแล้วเวลาที่พ่อแม่ตายจากเราไปเราก็จะไม่มาร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจที่เราไม่ได้ทดแทนบุญคุณให้กับพ่อกับแม่ในตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ คนส่วนใหญ่มักจะไปร้องไห้ตอนที่พ่อแม่ตายแล้วมาบ่นเสียดายว่าไม่ได้ทําบุญให้พ่อให้แม่เลยพ่อมัวแต่ไปยุ่งกับชีวิตของตนยุ่งกับภารกิจการงานต่างๆยุ่งกับครอบครัวยุ่งกับสามีภรรยากับลูกกับหลานของตนจนลืมพ่อหลวมแม่ไปนี่คือ ความสำคัญของการเข้าวัดไม่ว่าจะเข้ามาในรูปแบบไหนก็ตามเข้ามาก็เพื่อจะมาศึกษามาร่มเรียนมาหาความรู้ที่จะทำให้เราเป็นคนดีที่จะพัฒนาชีวิตจิตใจของเราให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นจนได้ไปถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพระนิพพาน กอาศัยการศึกษาการเรียนตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนําเอาไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเท่านั้นชีวิตของเราจ ะ, จะเจริญจะมีความสุขมากขึ้นความสุขความจเจริญของชีวิตเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีเงินทองมากหรือน้อยหรือการมีตําแหน่งสูงหรือต่ำแต่อยู่ที่คุณธรรม ถ้าเรามีคุณธรรมมากชีวิตของเราก็จะเจริญและมีความสุขมากถ้ามีคุณธรรมน้อยชีวิตของเราก็จะมีความสุขน้อยมีความเจริญน้อยถึงขอให้ท่านทั้งหลายจงเห็นความสำคัญต่อการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมอันดีงามให้แก่ชีวิตจิตใจ เพื่อจะได้มีความสุขและความเจริญก้าวหน้าการแสดงก็เห็นว่าสมควรแต่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนใจและบุญกุศลที่ท่านได้มาํำเพงกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญ